ท้องถิ่นบ้านล้านนาในอดีตเมื่อเนิ่นนานมาแล้วล้วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันแน่นอยู่ทุกผู้ดอยป่ามีมากกว่าคนคนมีจำนวนน้อยกว่าจึงต้องนอบน้อมให้กับป่าใหญ่ดงหนานมีแต่สิ่งลี้ลับชาวบ้านพื้นถิ่นต่างเชื่อถือและเคารพยำเกรงในความอาถันของป่าดงพงไพรหากต้องยากลายเข้าไป ก็ต้องมีการเส้นสวงสังเวยเพื่อบอกกล่าวถึงจุดประสงค์กับเจ้าเขาที่ปกปักรักษาผืนป่าแล้วก็ต้องรักษาสัจจะทันได้กล่าวไว้ข้างต้นตลอดเวลาที่อยู่ในป่าเช่นหากกล่าวว่าขอยิงสัตว์ไปเลี้ยงท้องเลี้ยงไส้สักหนึ่งตัวแต่พอยิงได้ตัวหนึ่งแล้วยังยิงเพิ่มอีกมักจะเจออาถรรต่างๆนานาบ้างหนักนาถึงขนาดต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้กลางป่า เป็นผีเฝ้าป่าก็มีพลานกลุ่มหนึ่งในเดินป่าล่าสัตว์รอนแรมอยู่หลายมือ้อหลายวันกระทั่งเดินลึกเข้าไปในป่าผืนใหญ่ต้นไม้เริ่มเป็นลำใหญ่ขนาดหลายคนโอบขึ้นอยู่หนานแน่นแผ่กิ่งก้านใบปกคลุมกางกั้นอยู่หนานทึบแสงแดดแทบส่องไมท่ทะลุหากเดินกลางวันมืดเหมือนยามเย็นบรรยากาศจึงเย็นยะเยือกตลอดเวลาพลานตกลงกันว่า จะหาที่พักเอาแถวๆนี้เพราะหากเย็นไปกว่านี้ถ้ายังไม่ได้ที่พักเกรงจะไม่ปลอดภัยถึงมากันเดินลึกเข้าไปเพื่อหาทําเลที่เหมาะสมกระทั่งทางเริ่มชันขึ้นมองลัดเลาะผ่านต้นไม้ไปข้างหน้าเห็นภูเขาเล็กๆ ล, ล, ลูกหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นดอยโทนแปลกอยู่ตรงที่ต้นไม้ใบไม้มีสีเขียวเข้มคลับมากกว่าบริเวณรอบๆหัวหน้าพลานพยักหน้า ให้เป็นที่รู้กันว่าจะไปพักที่ดอยโทนลูกข้างหน้านั้นหนทางสูงชันจนต้องใช้มือจับต้นไม้แล้วเหนี่ยวตัวขึ้นไปเป็นระยะระยะเดินยากไปยากจนกระทั่งลุเข้าเขตดอยประหลาดรู้ได้จากต้นไม้กับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อมาถึงที่หมายหัวหน้าพลานไม่ลืมที่จะจุดธูปขอขามาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าพวกเราชาวบ้านมาเพื่อล่าสัตว์ ขออยู่พักอาศัยเพียงชั่วคืนขออันตรายใดๆอันเกิดจากสัตว์หรืออาถรรพ์ใดๆจะได้เกิดมีกับพวกข้าพระเจ้าเลยว่าแล้วก็ปักทูปลงดินพร้อมวางเครื่องสังเวยอันมีดอกไม้ป่าที่พอหาได้แถวๆนั้นเมื่อเลือกต้นไม้ที่จะสร้างนั่งร้านอยู่ข้างบนได้จึงแยกย้ายกันไปทาหน้าที่บางก็ไปฟันไม้ทานั่งร้านบางก็จัดแจงหาฟืน พวกหาฟืนเดินอ้อมดอยไปอีกทางเก็บไม้แห้งรายทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเข้ากับอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนถ้ำทุกคนไม่รอชา้าเอาฟืนมากองรวมกันแล้วเดินเข้าไปเพื่อจะสำรวจถ้ำทันทีเมื่อทีมหาฟืนมาถึงปากทางเข้าถ้ำทุกสายตามองสำรวจเข้าไปก็ต้องประหลาดใจลานดินหน้าถ้ำสะอาดเรียบลง ไม่มีต้นหญ้าสักต้นหรือแม้แต่ใบไม้สักใบเหมือนมีใครมาปัดกวาดไว้อย่างดีทุกคนเริ่มเดินผ่านลานเข้าไปสำรวจอย่างระมัดระวังบางยกมือไหว้บางต้องบนคาถาอยู่เงิง่งๆเมื่อเข้าไปในถ้ำไม่กี่เมตรที่ผนังถ้ำมีอะไรบางอย่างถูกแขวนอยู่เป็นแนวยาวคอยลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองสลอซึงคุย และอุปกรณ์ทอผ้าอย่างเพียรปั้นไฟายถูกแขวนไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถัดก็ไปในถ้าไม่ลึกมีถ้วยจานชามกระทะใบบัวอุปกรณ์ทําครัวทั้งทําจากทองเหลืองและดีบุกต่างคนต่าง ต, างตกตะลึงไม่คิดว่าในป่าลึกขนาดนี้จะมีใครเอาของอย่างนี้มาเก็บไว้ถ้วยโถโอชามมีทั้งกัดเบื้องเคลือบและโลหะมีค่ายากที่ชาวบ้านสามัญจะมีไว้ครอบครอง ลานดินพื้นถ้ำก็สะอาดเหมือนมีคนดูแลเป็นอย่างดีพรานคนหนึ่งเพรามีฝีมือทางดนตรีจึงลองปลดซึงจากผนังถ้ำลงมาดีดเสียงซึงดังก้องกังวานมวนเพลาะสนเอหูติดอกติดใจจึงถือวิสาสะติดหมายติดมือกลับมาด้วยหมายใจว่าจะเอามาดีดเล่นสักคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาไปคืนพรานมารวมตัวกันหุงหาอาหารฝ่ายสารวจหาฟืน ถึงเริ่มเล่าถึงสิ่งที่ไปพบมาอย่างตื่นเต้นพร้อมกับเอาซึงที่เอามาจากถ้ามาดีดอวดเหล่าเพื่อนพลานเมื่อได้ฟังต่างพากันตื่นเต้นคำถามคำตอบสวนกันเป็นพลวันยิ่งฟังไปฝ่ายที่ไม่เห็นก็ยิ่งอยากจะเห็นกะกันว่าวันพรุ่งนี้ต้องออกไปดูให้เห็นกับตาให้ได้ไมีได้พลานหัวหน้าเท่านั้นท่าทางหนักใจไม่มีคาถามไม่พูดอะไร ตะวันรับฟ้าความมืดมิดเข้ามาปกคลุมเหล่าพลานปีนป่ายง่ามคบไม้ใหญ่ขึ้นไปถึงนั่งร้านข้างบนบางสุขยาบ้างพนมมือสวดมนต์สักพักก็พากันเอ็นกายลงนอนงอเขา่าซุกตัวแต่พาเขาม้าผืนบางยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นลงจิ้งรีดส่งเสียงเหมือนขับกล่อมให้หลับดีนอนดีลมหายใจทอดยาวสม่ำเสมอทุกคนหลับอย่างลึกเหมือนอยู่ในผวัง เวลาในป่ายามคำ่ำดูแสนเนิ่นนา น, น, านเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหูได้ยินเสียงแววแวแวแผ่วจางจับต้นทางได้ไม่ชัดเจนได้ยินเสียงเหมือนมีคนแห่คล้องกลองกลงสะา ا มีเสียงคนโห่ร้องอย่างเ อ, อกเริ่งสนุกสนานพลานคนหนึ่งสะดุ้งตื่นลืมตาตั้งใจฟังว่าหูไม่ฝานแ น, แน่จึงค่อยปลุกคนอื่นๆ ให้ลุกขึ้นมาฟังด้วยเสียงแห่ประโคมดังขึ้นดังขึ้นหมายจับเอาทิศทางไม่ได้บางทีเหมือนอยู่ใกล้ๆบางทีก็ไกลออกไปเสียงผู้คนมากมายโห่ร้องเหมือนวัดมีงานฉลองเสียงผู้คนคุยกันจอแจแต่ฟังไม่ได้สับเดี๋ยวดังขึ้นเดี๋ยวเบาลงจนกระทั่งค่อยๆเงียบไปในที่สุดพลานทั้งแก่หนุ่มต่างนั่งกอดเข่านิ่งแต่ลึงงันหนึ่งในพรานอดสงสัยไม่ได้กระซิบถามเพื่อนว่านั่นเสียงอะไรกัน อย่าพิ่งถามตอนนี้ให้รีบนอนดีกว่าเมื่อเพื่อนปลามจึงนอนลงอีกครั้งตาหลับแต่ใจยังตื่นอยู่คูยังได้ยินเสียงใบไม้หล่นดังแกรกกลากชัดเจนพลันนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกรอบทวารอบนี้ไม่ใช่เสียงประโคมของกรองแต่เป็นเสียงร้องไห้โหยหวนโศกเศร้าเสียงแสนเวทนาเหมือนกับจะขาดใจเสียงพูดหนึ่งพอฟังออกเป็นคำในหน้าขนลุกว่า เอาตายเอาตายทุกคนได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครกล้าลุกได้แต่นอนฟังเสียงนั้นอย่างขวัญประหวาจนกระทั่งหลับไปถึงรุ่งเช้าตะวันเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าแต่ยังไม่พ้นขอบเขาแสงยังสลัวสลัวพอให้เห็นลายมือจึงพากันไต่ลงห้างมาทีละคนและปรึกษากันด้านล่างต่างลงมติเป็นเอกฉันว่าน่าจะเป็นเพราะเราเอาซึ่งมาจากถ้ำติดมือมาอย่างแน่นอน ตัดสินใจเดินกลับไปที่ถ้ำนั้นเพื่อเอาซึงไปคืนแต่พอไปถึงปากถ้ำเท่านั้นใจคอมันตึบตันไม่อยากจะเข้าเอา เ, ยเลยคอยย่างคอยก้าวอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาหยุดตรงผนังถ้ำที่เดิมที่มันเคยแขวนอยู่จัดการเอาซึงห้อยคืนแล้วหัวหน้าพลานจึงพาทุกคนกล่าวคำขอขมาพอกล่าวคำขอขมาจบมีลมพัดเข้าถ้ำวูบใหญ่กลิ่นเหม็นสาบเหมือนเนื้อเน่าพลานหัวหน้าพูดว่า เขาคไม่พอใจที่ไปเอาของของเขามาเล่นเดินกลับออกจากถ้าด้วยความเงียบงนันต่างฝ่ายต่างนิ่งไม่พูดอะไรจัดการเก็บข้าวของเดินทางกลับตลอดทางไม่พบเจอตัวเนื้ออะไรเลยทั้งกลุ่มกลับถึงหมู่บ้านมือเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาเลยซึ่งนับว่าแปลกมากทั้งหมดเอาเรื่องนี้ไปถามกับพ่อเท่าพรานเก่าว้90ว่าสิ่งที่ไปพบเจอมานั้นมันคืออะไรเมื่อพ่อเท่าฟังจบ มีสีหน้าตกใจสูทั้งหลายไปเจอได้อย่างใดสถานที่นั้นเป็นที่บกวนไปบกวรเห็นมันเป็นอย่างไรพอเท่าที่นั่นมีชื่ออยู่เขาเรียกต่อๆกันมาว่าดอยคูบดอยอาถันอันเจ้าพรยาคนเก่าคนแก่ในอดีตการนานมาหลายร้อยปีได้เอาของของท่านมาเก็บรักษาไว้คำบอกเล่าต่อกันมาว่าพระยาท่านฝากคาไว้ว่า หากบ้านใดมีงานฉลองต้องการจะใช้เครื่องคล้องกรองประโคมหรือเครื่องกลัวอันใดก็ไปเอามาใช้ได้แต่เสร็จแล้วต้องเอาไปคืนเหมือนเดิมเมื่อก่อนคนมีศีลมีธรรมคืนข้าวของครบทุกชิ้นแต่นานไปเกิดมีคนโลภแอบซ่อนของไว้ที่บ้านไม่ยอมส่งคืนคนผู้นี้อยู่ไม่นานก็นอนตายเหยียดยาวไม่รู้สาเหตุว่ากันว่าท่านเกลียดคนไม่ซื่อเมื่อใครคิดขโมยท่านจึงเอาถึงตาย ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปยืมของใช้จากที่นั่นอีกเลยสถานที่นั้นยังถูกเก็บไว้เป็นความลับตายไปพร้อมกับพ่อเทาแม่มอนจนไม่มีใครรู้จักดีนี่ว่าพวกแกเอาของท่านไปคืนนะหาไม่ก็ต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปเสียทุกคนแล้วทุกคนต่างนิ่งต่างตะลึงกันกับคําตอบของพ่อเทาขนหัวขนแขนลุกสู้ว่าบุญหนักหนาที่รอดชีวิตกลับมาได้ ตั้งใจว่าตลอดชีวิตพลานนี้จะไม่ไปย่ำไกลสถานที่นั้นอีกเลยตั้งแต่ได้ยินเรื่องนี้มาผมเองก็นึกว่าเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าอันไม่มีที่มาที่ไปแต่แล้ววันหนึ่งยายเล่าว่าสมัยเมื่อ30ปีก่อนตอนยายปลูกบ้านไปอยู่ใหม่ๆนะพอตกกลางคืนก่อนวันพระมกักจะได้ยินเสียงกลองกลองบระโคมสนุกสนานเสียงฟังดูกไกลดังมาจากทางภูเขาด้านตะวันตกโน้นซึ่งวัดแถบนี้ ไม่มีใครเขาแหกกลางคืนกันหรอกมันไม่ใช่ปกติวิสัยแล้วเสียงมันมาจากไหนกันยายมาจากดอยคูบคนเท่าแต่ก่อนบอกว่าอย่างนั้นคำตอบจากยายทำเอาผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ